คำว่าวิบากแปลว่าผลและคำว่าผลในที่นี้หมายถึงผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในสันดานไม่ได้หมายถึงผลที่แสดงออกมาภายนอกเช่นเมื่อเราหัดเป็นคนขี้เกียจทิ่สายขี้เกียจที่เกิดขึ้นในสันดานเรียกว่าวิบากส่วนคนขี้เกียจย่อมจะมีความลำบากอย่างไรบ้างหรือชีวิตจะไม่ก้าวหน้าอย่างไรบ้าง ความลำบากหรือความไม่ก้าวหน้าไม่เรียกว่าวิบากแต่เรียกว่าผลของวิบากเมื่อเราเรียนหนังสือการเรียนก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของการเรียนก็เรียกว่าวิบากคนที่มีความรู้ย่อมจะหาเงินได้หรือมีชื่อเสียงการมีเงินหรือมีชื่อเสียง ไม่เรียกว่าวิบากแต่เรียกว่าเป็นผลของวิบากเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้ให้ดีว่าเมื่อพูดถึงคำว่าวิบากจะต้องหมายถึงผลแห่งการกระทําที่เกิดขึ้นในสันดานเสมอและจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งและเกิดทันทีในเมื่อการกระทําได้เกิดขึ้นกรรมในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามอย่าง กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกายกรรมแปลว่าการกระทําทางกายซึ่งหมายถึงการกระทําที่ต้องใช้มือใช้เท้าหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากการใช้ปากพูดวจีกรรมแปลว่าการพูดส่วนมนโนกรรมหมายถึงความนึกคิด ในขณะใดที่เราไม่พูดและไม่ทำอะไรออกมาเพียงแต่คิดในใจในขณะนี้ก็เรียกว่าทำกรรมเป็นการทำกรรมทางใจซึ่งเรียกว่ามโนกรรมเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆไม่พูดไม่ทำอะไรจะถือว่าในขณะนั้นไม่ทำกรรมอะไรไม่ได้การกระทำทั้งสามอย่างนั้นถ้าหากเป็นไปในทางที่ดี ก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าเป็นเปในทางชั่วก็เรียกว่าอกุศลกรรมกล่าวคือเมื่อพูดดีทำดีหรือคิดดีก็เรียกว่าประกอบกุศลกรรมถ้าพูดชั่วทำชั่วหรือคิดชั่วก็เรียกว่าประกอบอกุศลกรรมการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกรรมเรียกว่า กายกรรมฝ่ายอากุศลส่วนการกระทาที่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์และเว้นจากการประพฤติผิดในการมเรียกว่ากายกรรมฝ่ายกุศลการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรียกว่าวจีกรรมฝ่ายอากุศลการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเรียกว่า วจีกรรมฝ่ายกุศลความนึกคิดที่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงผิดเรียกว่ามโนกรรมฝ่ายอกุศลส่วนความนึกคิดที่ไม่ประกอบด้วยความโลภไม่ประ cut, ปรกอบด้วยความโกรธไม่ประกอบด้วยความหลงผิดเรียกว่ามโนกรรมฝ่ายกุศลอันหนึ่งเมื่อพูดถึง arms, คำว่ากรรมขออย่าได้เข้าใจว่า มีความหมายเฉพาะแต่ในทางไม่ดีเช่นเมื่อเราเห็นใครทําความชั่วแล้วได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปติดคุกเราก็บอกว่าเป็นกรรมของเขาแต่ในกรณีที่คนบางคนเรียนหนังสือหรือทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่สุดทําให้เขามีฐานะดีมีชื่อเสียงมีความเป็นอยู่สะดวกสบายเรามักจะไม่พูดกันว่านั่นเป็นกรรมของเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือในทางชั่วก็เรียกว่าเป็นกรรมได้ทั้งสิ้นเพราะคําว่ากรรมแปลว่าการกระทาซึ่งจะหมายถึงในทางดีก็ได้อย่างที่เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมจะหมายถึงในทางชั่วก็ได้เช่นเรียกว่าอากุศลกรรมอันหนึ่งเมื่อพูดถึงคําว่ากรรมคนทั่วไป มักจะแปลความหมายถึงการกระทำในด้านศิลธรรมเท่านั้นส่วนการกระทำอย่างอื่นเป็นต้นว่าการขุดดินการปลูกต้นไม้การขับรถการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือมักจะไม่เข้าใจกันว่าการกระทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันแต่จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ให้พิจารณาดูในแง่ที่ว่าเป็นการผิดศีลธรรมหรือไม่ทาให้กลาเดือดร้อนหรือไม่ทาให้เกิดความชั่วขึ้นในตัวเองหรือไม่ แต่หากเป็นการกระทาที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ก่อให้เกิดความชั่วขึ้นในตัวเองก็ถือว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมถ้าตรงกันข้ามก็เป็นอกุศ ล, ลกรรมคำว่ากรรมในความหมายดังที่ได้อธิบายมานี้คนทั่วไปพอจะเข้าใจได้ส่วนคำว่าวิบากยังเข้าใจกันไม่ถูกเช่นบางคนเมื่อเอ่ยถึงคาว่าวิบากก็เข้าใจว่าเป็นความลาบาก หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นและถึงแม้บางคนจะเข้าใจแล้วว่าวิบากอาจจะหมายถึงในทางดีหรือในทางชั่วก็ได้อย่างที่เรียกว่าวิบากของกุศลวิบากของอกุศลแต่ถึงกระนั้นก็มักจะเข้าใจอีกว่าเมื่อพูดถึงวิบากย่อมหมายถึงผลที่ปรากฏออกมาให้เห็นได้ไม่ค่อยจะนึกถึงผลของการกระทาที่เกิดขึ้นในสันดาน และมากจะหมายถึงแต่ผลในด้านศิลธรรมเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ยังแคบมาก